ตอนแรกก็เลยฝึกให้มีสติทั้งวันนะฝึกทั้งวันแต่ว่าก็ก็ก็ดีแต่บางครั้งมันคือเวลาทำงานเนี่ยมันมีมันมีตัวที่มาผัดที่มากระทบเยอะจนบางครั้งสติมันไม่ทันไม่ทันไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้น มันก็เหมือนกับหลงไปกันนะอยู่พักหนึ่งมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับกําลังของสติเรามันอ่อนไอ้ตัวนี้ไปทําให้พอเราไปตั้งสมมติฐานอ่เงี้ยเลยผิดหรือทาให้ผิดที่จริงอ่ะเราขาดการพิจารณาอยับต่อเนื่องไม่ขาดสายคือเราเวน้นเรามาพยายาิจารณาเฉพาะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแต่เรานั่งสมาธิเดินเดินจงกรมวันหนึ่งวันน้อย พอเราไปใช้ในประจําวันในการทํางาน่เราไม่ได้พิจารณามันขาดความต่อเนื่องตรงนี้เป็นผลที่ทําให้อย่างอื่นเนี่ยมันแทรกเข้าสู่ใจเราได้ความจริงอะการพิจารณาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายมันเป็นเกาะป้องกันอยู่แล้วเพราะเรื่องอื่นมันจะเข้าแทรกไม่ได้เราพิจารณาตอลอดเวลาแม้ในทําการการทํางานอ่พิจารณาที่หลวงตาให้พิจารณาพิจารณาความไม่เที่ยงอธิจรังทุกขังอัลตา ซึ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถต้องแต่ว่าบางครั้งอะพอมันมีเรื่องซึ่งเป็นเรื่องซึ่งการงานทําอย่างนี้สี่ทำอย่างนี้สีรักษาให้ยาอย่างนั้นยาอย่างนี้นแต่พอสักปุ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีไอ้อันอื่นเนี่ยที่มันเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการใช้วิชาการมันเข้ามาแล้วก็เราก็ต่อเลยไม่ไม่เป็นไรไอ้อ ย, อย่างนั้นไ ม, ไม่ใช่คืออย่างนั้นต้องทําอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าสติสัมวัชย์ย่คือความรู้ตัวทั่วพร้อมในการทํากิจการงานไม่ผิดพลาด แต่ภายในใจเนี่ยแอบพิจารณาอยู่ไม่มีใครรู้หรอกในใจแอบพิจารณาถึงสังขารร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเน่าเปื่อยผุพังสลายเป็นท่าดินน้ำลมไฟไ ป, ไปสู่ความว่างมาจากความว่างกลับคืนสู่ความว่าง<ม>หาตัว ต, วตนไม่มีตอนี้เราก็น้อมพิจารณาอยู่ในใจของเราเนี่ยแล้วก็น้อมเล่นๆเหมือนน้อมเล่นๆแต่น้อมเล่นๆของเราเนี่ยคือน้อมต่อเนื่องมีขาดสายเรามันสุวธไม่ได้น้อมจริงๆยังจังอ่ะน้อมเล่นๆอยู่ในใจเรานี่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นมโนภาพ<ม>อยู่ในใจเราเนี่ย เราเนาะเหมือนกับเป็นมโนภาพเล่นๆเนี่ย<ม>อยู่ในใจของเราเนี่ยต่อเนื่องไม่ขาดสายเลย<ม>แต่การทํางานเราก็ทํางานไปส ต, ติสมัชัญญั้งทำงานภายนอกไม่ผิดพลาดเลยห<ม>ลวงตาเนี่ยเป็นผู้รักษาเก่าน้อมพิจนาทั้งวันทั้งคืนมแม้แต่ขณะนั่งพิจนานั่งสืบพยานบนพลังอ่ะนั่งสืบพยานบนพลังอะยุ่งมากเลยมีหลายคดีวันหนึ่งอะทำงานหลายคดีโจทย์จำนวนสืบพยานสู้กันโอ้โหต้องใช้สติปัญญาคิดเรื่องข้อกฎหมายเรื่องข้อที่จริงอะไรต่างๆเนี่ย แต่ใจข้างในเนี่ยมนโนภาพมโนนึกเนี่ยว่าตัวเองตายหน้าเปื่อยบุพังเนี่ยไม่หลุดเลยไม่หลุดเลยต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยไม่หลุดตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนยีบสี่ชั่วโมงยกเว้นแต่หลับแต่ปกติตอนทำความเพียรแทบไม่เคยหลับเลยทั้งวันทั้งคืนพอคนอื่นเขาทานเสร็จแล้วเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนอ่ะแล้วปฏิบัติในธรรมการมีครอบครัวเนี่ยพอตกเย็นมาก็คุยอยู่เขาหน่อยปลอบประโลมใจให้ครอบครัวให้ไห้เมียให้ลูกเขารู้สึกว่าเออกลับมาก็ได้คุยกับเขาหน่อย อพ่อได้คุยด้วยอสามีได้คุยด้วยพอคุยเสร็จแล้วพอเขาจะลงไปกินข้าวแล้วบอกว่าเราไม่เราไม่กินนะเราไม่กินหนักเพราะว่าเรากีนไปเพื่อนหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะออกไปเดินละก็เราก็จิ้มจิ้มอะไรกินนิดนหน่อยหน่อยคือว่าไม่ให้มันหนักก็หนักแล้วเดี๋ยวมันว่วงแล้วก็ไปเดินนะเวลาไปเดินก็ไปเดินที่ไหนเราคือไปหาครูบาอาจารย์ในในป่าเพียงแค่บางครั้งแต่เวลาเดินจงกปฏิบัติจริงๆเนี่ยข้างบ้านนี่นะเดินในเขาเห็นเนี่ยเขาก็กินข้าวก็เห็นเราเดินอย่างนี้ เขาก็ไม่รู้สึกว้าเหวเราไม่อยากทอดทิ้งเขาไปแต่เราอยากจะปฏิบัติแล้วเขก็นั่งกินข้าวกันที่โต๊ะเนี่ยเขาก็เห็นเราเดินเนี่ยแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็กดูโทรทัศน์กันอะไรกันเนี้ยเดี๋ยก็เห็นเราเดินเนี้ยเขาเดินเราไปเดินไปเดินมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนนะเขาก็ไปนอนกันเราไม่นอนตอนเดินทําความเพียรอยู่ไม่นอนเลยถึงถึงสว่างแล้วก็อาบน้ําไปทํางานต่อไปสืบพยานตัดสินคดีทําอย่างเงี้ยพอถึงตอนใกล้เที่ยงก็สั่งข้าวมากินบนโต๊ะ รีบกินกินกินกินแลหลับเลยนั่งนั่งพิงเก้าอี้หลับถึงตื่นม่ทีงบ่ายโมงครึ่งเหมือนตั้งเวลาเลยเพราะเที่ยงพุ๊บหลับพุ๊เลยแลก็นั่งหลับเงี้ยนั่งพิงไงเก้าอี้นั่งพิงเก้าอี้หลับแอร์เย็นๆแล้วก็พอบ่ายโมงครึ่งกำหนดไว้บ่ายโมงครึ่งปุ๊บตื่นเตะเลยตื่นปนุ๊บทํางานต่อเลยแล้วกลับมาตอนเย็นก็มาคุยกับครอบครัวให้ปลมใจหน่อยไม่เขาว้าเวแล้วก็ อ้าพอก็เอาอะไรมากินแล้วก็เรากจ็จิ้มนูนจิ้มนี้นิด ๆ, ๆหน่อยเป็นส่วนใหญ่เป็นผลไม้เป็นผักสดก็เอามาใส่ปากหน่อยแล้วน้ําดื่มออกไปเดินแล้วเพื่ออะไรเพื่อเคลือบกระเพาะไม่ให้มกกันโรคกระเพาะอันนั้นเองแล้วก็ออกไปเดินแล้วก็เดินอยู่นั่นแหละไม่สนใจหรอกจะมานั่งพักไม่สนใจเลยเดินทั้งคืนแล้วก็จนถึงสว่างก็ขึ้นมาอาบน้ำตีห้ากว่าก็มาอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็เต็มตัวไปทํางานเอไปทํางานแล้วก็กลับมาก็ทําอย่างงี้ทุกวันนะ นั่งหลับดีก็อีโอกาสน้อยมากที่ที่แทบจะนอนที่นอนแทบไม่มีเลยแล้วก็ถ้าเป็นสุขเสาร์อาทิตย์ไม่นอนเลยข้ามวันข้ามคืนเลยเดินทั้งวันทั้งคืนเดินทั้งวันทั้งคืนเลยข้ามไปมันทําไมสว่างเร็วจังเลยแล้วก็เดินเดินเดินไปพินาเอ้ามันทําไมมืดเร็วจังเดินถึงสว่างสว่า ง, างเดี๋ยวมืดมืดแล้วสว่างเงี้ยเดินอยู่อย่างงี้น่ยพินาแต่ความตายหน้าเปื่อยผุพังตายหน่าเปื่อยผุพังของตัวเองเนี่ยนะบเล็บ ไม่ขาดว่าขาดตอนเลยแม้แต่การทํางานไปทํางานก็ข้างในมโนภาพเนี่ยไม่หลุดเลยลูกตาไม่สนใจเลยเบาสบายว่าขนาดไหนมันเบาจนมันเหาะเหนรากาศได้เลยมันเหมือนเดินเดินไปเหมือนมันมันไม่อยากเดินบนพื้นมันจะมันจะลอยขึ้นไปบนยอดไม้แล้วมันจะเหินขึ้นไปเหมือนเหินไปทีเป็นสิบสิบกิโลเหมือนบินพุดไปได้เลยเหมือนมีความรู้สึกว่าขึ้นไปยืนอยู่บนยอดหญ้าเนี่ยไม่ยับลงมาเลยเฮะทําไมน้ําหนักเราไม่มีวะไปชั่งกิโลเวลาชั่งกิโลก็มีน้ําหนักพอออกจากกิโลมา เหมือนคนที่ไปอยู่บนนักบินอวกาศไปอยู่บนอวกาศอ่ะมีน้าหนักแต่พอไปอยู่ในอวกาศไม่มีน้ําหนักรอยไปลอยมาอย่างเงี้ยมันทำไมเหมือนเราลอยได้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยแล้วแขนขามันหายไปไหนต้องคอยจับตลอดเวลามันเบาขนาดนั้นเลยอนะ่ะมันเบามากเบาจะไม่มีตัวตนไม่มีแขนไม่มีขาหรอกแต่ไม่สนใจเลยเรื่องความเบาเนี่ยพิจารณาอย่างเดียวไอ้มนโนภาพมนโนนึกต้องตายเน่าเปื่อยบุพพังสลายเป็ขี้เต่าตุลี ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้หมดไม่มีเราสัตว์ทั้งหลายพืชทั้งหลายก็ต้องตายเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องผุพางเน่าเปื่อยสลายไปทุกคนไม่มีคนไม่มีว่าคนสัตว์พืชเป็นเหมือนกันหมดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก่เก็บตายพืชยืนต้นเสร็จก็พอยืนต้นเสร็จแก่ก็ยืนต้นตายล้มผุพังสลายไปเฮ้อไม่ว่าคนสัตว์พืชไม่มีใครเหลือไม่มีสิ่งใดเหลือเลยไม่เหลือตัวเหลือตนคื้นลูกหลังไล่คื้นลูกแรกพอลูกโตมาหน่อยปู่ย่าตายายก็ตายจากพอลูกโตขึ้นมาอีกพ่อแม่กกตาายจ พอลูกโตขึ้นมาตัวเองไปมีลูกลูกโตขึ้นมาหน่อยตัวเองก็ตายจากหลานโตขึ้นมาเดี๋ยวลูกก็ตายจากคืชลูกหลังไล่ขึ้นลูกแรกอันนี้จังทุกขังอนัตตาชีวิตเกิดมาทุกจริงจริงมีแต่ความทุกจริงจริงเกิดเพื่อตายแล้วเกิดทําไมเกิดเพื่อตายไม่อาจจะหนีความจริงอันนี้ไปได้เลยแค่นั้นแน่ะจิตมันโปรยวางหมดเลยโล ก, กาธาตุภายในโล ก, กาธาตุภายนอ ก, ก, ก, กระเบิดโลกธาตุเราไปหมดเลย อันเนี้ยต้องพิจารณาเ ง, งี้ยไม่สนใจเลยผมแต่วันั้งคือมีคนมาถามว่าหลวงตาทําได้ยังไงอ่ะทํางานด้วยแล้วก็ระดับพิจาณคดีด้วยแล้วคนไงในแอบพิจารณาอยู่ในใจบอกเราพิจารณาอยู่ใครจะรู้เราเราทําอะไรใช่ไหมมันทําได้ยังไงทําทั้งอย่างพร้อมกันเนี่ะ <c oughs> คุณคิดให้ดีนะคุณพิจารณาดีอ่ะคุณลองดูที่แบบเวลาคุณทํางานเนี่ยใจคุณคิดเรื่องงานหรือคุณไปคิดเรื่องอื่นเ <c oughs> วลาทํางานเนี่ยใจคิดเรื่องงานหรือไปคิดเรื่องอื่น เอาคิดดูให้ดีนะสังเกตไ ด, ด้ดีเอาหมอบอกว่าไงจริงไหมพอ ด, ดีผมเป็นหมอผ่าตัดแต่เวลาผ่าตัดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนั้นเอ อ, เ อ, อที่เวลาพูดกับกับอะไรอย่างอื่นเนี่ยบางทีมันไปคิดอีกจยางใ่ใไปคิดต่อไ ป, ไปคิดอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าไปคิดวางแผนไอ้เรื่องเนี้ยแต่เราวางแผนไปหมักหนึ่งหมักสองหมักสามจะทําไง ม, มันมันมักจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้หมายความผมนะใช่ใคคทุกคนทุกคนขนาดนั่งเขียนคำภาษาอยู่รุ่นพี่เราเห็น เปนพี่ดาวถาพี่ทำไมพี่นั่งเขียนคำภาส า, านั่งพี่นั่งถอนหาใจหลายหนไอ้ยลงศาเอ้ยลูกมันจะเข้าเรียนยังหาโรงเรียนได้ไม่ได้เลยเนี่ยมอนหนึ่งฮะมาจับฉลากก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเขียนคำภาษาไปแล้วก็กพี่พี่อะวางประกาเก็บสตำทวนเข้าตู้เลยล็อกกุญแจพี่ไปหาที่เรียนให้ลูกเลยคืนแบบเนี้ยมันไม่มีสมาธิไปเลยไปไปเดี๋ยวนี้เลยเนี่ย นี่ไหนั่งทํางานอยู่นะแต่ใจเนี่ยทํางานอีกอย่างหนึ่งคิดถึงลูกที่จะเข้าโรงเรียนไม่ได้เห็นไหมนี่มันเป็นธรรมชาติของคนเลยอะล่ะเราเสร็จแล้วก็ไปไปหาโรงเรียนให้ลูกอ้าวกลับมาได้แล้วน้องสัตว์ได้แล้ ว, ลวเออได้แล้วก็จบแล้วนะไปทํางานได้แล้วทํางานต่อพวดหลังอีกไนงะพี่เอ๊ะเห็นใจพี่ไม่อยู่กับการทํางานหลือพี่ก็ทํางานอยู่นั่นรังเขียกภาษานเนี่ยแล้วใจพี่เดี๋ยวก็ถอนในใจน่ะน้องสัตว์โอ้โหเข้าก่อนไปลื้อเข้านะพวกมันกินแอะ ไม้อะบ้านทั้งหลังเลยมันกินทั้งล่างหมดเลยพวกจะเห็นมันเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยโบนอยู่แล้วนะทํางานเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องปวดดูสิมันเนี่ยใจคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับจริงๆเนี่ยมันทํางานได้แต่ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่จริงๆหรอกมันคิดตุดคิดตีคิดตันคิดนี่เราบอกเออไปคิดเรื่องที่เป็นทุกข์เรื่องที่เป็นกินเลสเรื่องที่ไปเป็นสาระเอามาคิดเรื่องที่มันพ้นทุกข์ดีกว่า เออก็มาคิดถึงเรื่องไม่เที่ยงไม่เที่ยงทังขาดไม่เที่ยงทังขาดไม่เที่ยงก็เลยอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นได้ปวดหัวเออมันก็สบายใจสุขใจดีด้วยเมื่อเราดูดิเดี๋ยวบางคนก็ทํางานไปนะเดี๋ยวดูเวลาทํางานทํำไมดูเวลาเลยนัดกาแฟนไว้กินข้าวที่ร้านอาหารนั่นดูว่าเวลาใกล้ถึงเวลาอย่งนัดกาแฟไว้เดี๋ยวว่ามันใกลจะถึงเวลาไปกินไปกินอาหารแล้วเดี๋ยวนัดกาแฟนไว้ว่าจะไปที่ร้านนั้นร้านนี้ก็งานก็ยังทําน่ะ นั่งทำงานก็ไม่ผิดพลาดนะนั่งทํางานเนี่ยดี๋ยวดูเวลาใกล้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องนั่งก็แฟนไว้ต้องไปกินข้าวเอ้ยนั่งทํางานเนี่ยแต่ใจมีแต่แฟนมีแต่หน้าตาของแฟนอยู่ในใจทําไมหน้าตาของแฟนยังมาอยู่ในใจได้นั่งนั่งทํางานเนี่ะนี่งานใช้ความคิดด้วยนะแต่หน้าตาของแฟนอยู่ในใจตลอดเวลาเลยแต่ถ้าแทนที่เอาหน้าของแฟนออกไปนะ แล้วเห็นตัวเราเน่านอนขึ้นเยอะๆนะโอ้โหอย่างนี้ดีมากเลยเอาเอาหน้าแฟนออกไปแล้วเอาตัวเราเข้ามาแทนใ น, ใ, นใจของเราตัวเราเน่าหนอนขึ้นอืดแล้วหน้าเปลือยผุพังสลายแห้งไปเป็นแล้วก็จนกระทั่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟระเหยไปหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกไอ้หนังแห้งติดโครงกระดูกก็ไปเผาไปเผาแล้วก็ไปขี้เต้าทุเรีแล้วก็เป็นระน้ำที่หายไปหมดเอามาแทนได้น้อมอยังไงก็น้อมเหมือนนี้แหละเหมือนน้อมตึนหน้าแฟนเนะี่แหละ แล้วบอกว่าอาจารย์มันน้อมยังไงอ่ะบอกว่าน้อมถึงหน้าแฟนออกไหมนึกถึงออกใครจะนึกถึงไม่ออกแล้วหน้าแฟนก็นึกึออกนึกหน้าพ่อหน้าแม่ออกไหมออกก็น่หน้าพ่อหน้าแม่ก็นึกออกก็นึกแบบนั้นแหละก็เหมือนนึกหน้าพ่อหน้าแม่นะทางานไปทำไมเดินนึกหน้าพ่อหน้าแม่ออกไม่ออกก็นึกออกเนี่ยทำงานอะไรก็นึกออกหน้าพ่อหน้าแม่ก็นึกอยู่ในใจเออก็นึกไว้เงี้ยแหละแต่แทนที่จะเป็นนึกหน้าพ่อหน้าแม่หน้าแฟนมันก็ไม่มีไม่ประโยชน์อะไรไงแล้วก็มานึกเอาตัวเราให้เน่าเปื่อยผุพังไว้แต่นึกเหมือนกันก็เรียกว่ามโนนึกเป็นโนนึก มนโนนึกไปก่อนเป็นมนโนนึกแล้วสุดท้ายมันก็เป็นความจริงคือใจมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเอามนโนนึกนํานําร่างไปก่อนแบบนั้นลุงตาเขาทำแบบนี้นี่ทําพูดจากของจริงเลยพูดจากประสบการณ์ตรงแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเล่าจากประสบการณ์ตรงไม่ต้องจําของใครมาพูดเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงโลกกระแภายในกับภายนอกนมันระเบิดโลกกะระแทกเลยกายเบาใจเบาไม่มีตัวไม่มีตนเลยไม่สนใจใจว่างเลยใจนิ่งใจสงบใจว่าไม่สนใจมานั่งหลับตาเลย ไม่เคยมีเวลาม า, มานั่งหลับตาเลยเดินทั้งวันทั้งคืนเดินทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลา ม, มานั่งหลับตาทําใจให้นิ่งให้สงบเลยเออตอนพิจารณาร่างกายอยู่เนี่ย ท, ทํำสมาธิระดับชาญไม่ได้ทําชาญไม่ได้ด้วยนะเอทําสมาธิระดับชาญไม่ได้เลยมีแต่พิจารณาอย่างเดียวไม่ทําไม่เดิมแล้วสมาธิระดับชานมานั่งหลับตาไม่เคยทําเลยเดินอย่างเดียวเดินพิจารณาแต่ความตายเน่าเปื่อยผุพังตายหน้าเปื่อยมันโนนึกมันไม่หายเลยทุกขยะบทไม่ว่าอยู่ในอะไรทุกขยะบท อันนั้นเป็นสมาธิแล้วเพราะว่าไอมโนภาพเนี่ยมโนนึกมันไม่หายแทนที่เราจะไปนึกแสงนึกสีนึกกระสีไฟอะไรนะมันไม่ประโยชน์ได้ม่สาระไงแล้วก็นึกถึงร่างกายเราตายเน่าเปื่อยผุพังไปเลยทีเดียวแล้ก็นึกนึกนกึกนึกไว้ในใจอ่ะไม่เคยหายเมื่อไม่เคยหายสติมันก็ไม่ขาดสมาธิมันไม่ขาดปัญญาที่เห็นน้อมก็หาความจริงมันก็ไม่ขาดสติสมาธิปัญญามันก็ไม่ขาดทำก็ไม่ขาดตลอดเวลาเลยสมอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาด สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพันิพานมันเป็นสติตลอดเวลาเลยสติสตมาธิเป็นปัญญาเป็นอยู่ในขณะที่ปฏิบัติไแน่ๆที่หลวงปู่จูมปัตุโลได้ถามหลวงปู่ ม, มั่นพุทธิธาโตว่าเราจะดูยังไงว่าเรามีสมาธิเรามีสมาธิหรือเปล่าในปัจจุบันเราจะดูยังไงว่าเรามีสมาธิหรือเปล่าหลวงปู่จูมเออหลวงปู่ ม, มั่นพุทธธโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่บอกว่าให้ดูที่สมาธิไอ้ดูที่สติให้ดูที่สติถ้าสติมีสมาธิก็มี ดูที่สติให้ดูท AH ี่สติสติคือสติสติในสติปัฏฐานสี่ไงถ้าไม่ใช่สติอะไรก็คือสติในสติปัฏฐานสี่สติคือรู้แจ้งในกายในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแท่นั้นเองนะไม่ใช่ว่าไปสติอะไรนะคือสติที่มันรู้แจ้งสัจธรวะรู้เนี่ยในกายเวกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ทางอื่นนอกจากนี้ไม่มี ต้องสติปัฐานสี่ไม่ใช่ป่ะอย่างนี้มีสติหรือเปล่าอาจารย์อย่างนี้มันสติหรือเปล่าสติป่าสติคือสติปัฐานสี่สติที่มันรู้แจ้งในกายในเวทนาในจิตในธรรมของเรานี่เนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นสติเข้าใจไหมเข้าใจนะครับพอดีแสดงว่าที่ผมไปทําอะสติมันอยู่ในฐานฐานมันอยู่ไปยึดที่ความสงบซึ่งจะต้องปล่อยวางความสงบแล้วมา จะต้องเอาอะไรมาแทนตรงนี้ใช่ถ้าแทนก็คือแบบที่พระหลวงพ่อหลนตาสอนคือว่าเกี่ยวกับการอนอิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างที่เป็น อ, อสุภะที่พระอาจารย์อสุภะกรรมฐ า, ามนมรณาสติครับอับนานมรณสติกับกรรมฐานนี่คืออันเดียวกันแล้วก็เดียวกันนะ<อ>ออเนี่ยคืออสุภะเนี่ยมันเน้นที่เน่าแต่เน่าเนี่ยมันจะเน่าได้ก็ต้องตายอ่ะมันก็มรณาสติเนี่ยแต่ถ้าอสุภะทุกขังเนี่ยเขาก็เน้นที่ น า, นามโนนาสติเน้นที่ความตายคือที่ที่ผมฝึกเนี่ยเป็นการฝึกแบบว่าอยู่กับแค่สติไม่ได้พิจารณาคือเดินก้าวซ้ายขวาเนี่รู้โดยไปใช้ในการออกกําลังกายเดินสักห้าหกิโลนี่ทุกก้าวทุอะไรก็รู้หมดแต่ว่าไม่ได้เอาไปใช้พิจารณาไม่ใช่เป็นแค่มีสติรู้ตัวเท่านั้นไม่ได้ไม่ไม่มันไม่ใช่สติปัฏฐานสี่ ไ, ไ<ม>สติปัฏฐานสี่ที่มีพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคือตัวเราเอง อของตัวเราเองแต่ก็ต้องพัฒนาให้ให้ให้มีเป็นรู้สติปัฏฐานสี่ตรงรู้ที่กายที่พอกายได้เวทนาเวทนาอารมณ์เนี่ยรู้รู้เวทนาที่หลวงตาสอนคือเวทนาคือสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมอะไรก็ตามที่ถูกรู้ทําก็คือสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่รู้เนี่ยครับทีนี้อ่าจิตทีนี้พอถึงขั้นจิตเนี่ยมันจะไม่เคยชัด รู้จิตของเราเองเนี่ยจิตจิตก็คือผู้รู้่ทำอารมณ์ทำอารมณ์ทำทำทำก็คือทำอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ครับอืจิตก็คือผู้รู้ก็คือวิญญาณอคติครับจิตหรือวิญญาณอคติเราเรารู้เรารู้วิญญาณอคติแล้วก็รู้เวทนาสสััญางขรรู้สัญญาสังขารการปรุงแต่งพวกนี้ใช่ใรู้แล้ววางต้องพิจารณาอะไรต่อว่ารู้ว่าเป็นสังขารเออเราเป็นสังขารทั้งหมดรู้ว่าเป็นแล้วจิตจะวางเอง คำว่าสังขารนี่คือปุงแต่งรู้ว่าเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วเราการวางนี่เราก็วางวางวางก็คือว่าพอเราเห็นเป็นสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของไป็เที่ยงเรารู้สึกอยู่ในใจว่าอย่างนี้โดยแยบขาดไม่ขาดสายคือโยมันโศมันัสิการคือสังขารทั้งหมดมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็วางคือคือก่อนจะวางเราก็มาต้องให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นสังขารเป็นสังขารทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ ตัวเราไม่ใช่ตัวต่อตัวตเราแล้วเราก็ถึงจะวางได้ใช่ใช่ติต่อโอเคครับมะนาว่าไงค่ะมะนาวนะคะก็ส่งการบ้านต่อค่ะก็ตอนนี้คือมะนาวทำทางดูใจแล้วก็ดูกายไปด้วยเพราะว่าหลวงตาให้ลองดูกายเพิ่มขึ้นดูพิจารณากายเราว่าเป็นเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงมีความเน่าเปื่อยแล้วสุดท้ายก็สิ้นสลายดับไป เกิดจากความไม่มีเกิดมาแล้วก็กลับสู่ความไม่มีเหมือนเดิมเนี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็พิจารณากายมากขึ้นแล้วก็ดูจากหนังสือที่คุณพ่อให้เป็นกายาขัตตสตินะคะก็ได้เห็นรูปถึงถึงแบบแต่ละส่วนของร่างกายของเราว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีความน่าพอใจความน่าน่าอภิรม์อะไรที่เรารู้สึกเห็นทั่วๆไปจากภายนอกอะคะ่ะจริงๆมันก็เป็นเหมือนแค่แบบธาตุต่างๆที่รวมกันอย่างเงี้ยค่ะก็พิจารณาตรงนั้นเพิ่มขึ้น จะแค่ดูใจแต่ก่อ น, นคะ่ะก็รู้สึกว่าเราเริ่มละได้มากขึ้ น, นะค่ะดีแล้วเด็จอย่างทลายไม่แตกนะค่ะยังทลายไข่ใหญ่ไม่แตกเข้าใจไหมค่ะยังทลายความรู้สึกที่ว่าเราไม่ใช่ตัวตนยังทลายไม่แตกต้องบุกเข้าไปอีกตีให้มันแตก ค, คือว่าให้พิจารณาใหมันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันเป็นเป็นธาตุดินน้ําลมไฟให้มันสลายเป็นขี้เถ้าธุลีเป็นธาตุดินน้ําลมไฟไปให้หมดค่อยๆเป็น <laughs> ผมก็เลยฝันหนังด้วยเอกระดูกจับไตใส่น้อยใส่ใหญ่มากตับปอดหัวใจเป็นธาตุดินให้มันเน่าสลายหายไปเป็นผูพรางถลายเป็นดินโคงเหลือแต่โครงกระดูกก็าไฟเผาทิ้งไปหมดมนม้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ ำ, น ำ, น ำ, น ำ, นำปัสสาวะก็เป็นธาตุน้ําในร่างกายเราธาตุดินธาตุน้ำแล้วธาตุลมหายใจแล้วธาตุไฟแล้วก็ธาตุรูที่ว่างเปล่าสาตัวต้นไม่มีแยกแบบเนี้ยแยกออกกันหมดแยกแยกแยกแยกแยกเจ้ากระดังทลายความหลงในใจเราขาดสะบันมันก็จะระเบิดโลกกระดานระเบิดความหลงน่ะ มันเรียกว่าตีไข่ใหญ่แตกไข่ใหญ่ไข่ใหญ่คือความหลงในใจเรามันก็จะระเบิดตีไข่ใหญ่แตกเลยแล้วระเบิดโลกธาตุข้างในไปตูกข้างนอกนะมันจะอัศจรรย์ไปหมดอะระเบิดโลกธ า, ธาตุทน ะ, ะ, ะ ล, ธธลุไปหมดเลยค่ะก็เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะมันมี ม, มีอยู่จุดหนึ่งที่เหมือนว่าหนูเดินอยู่บนพื้นทรายแล้วก็เท้าสัมผัสกับทรายแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเป็น เป็นส่วนเดียวกับทรายที่พื้นนะคะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามันก็คือเศษผงทุลีที่เหมือนกับทรายที่อยู่บนพื้นตรงนั้นนะคะแล้วก็กัดติดจดจอตรงนั้นอันนั้นคือใช่แล้วใช่ใช่ใช <Rabbi? S 2> เรากัดติดจดจอตรงนั้นเลยกัดติดจอดจอดกัดติดจอดจออย่างเงี้ถ้าเป็นอย่า ง, งานั้นแล้วก็ดทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าพยายามจะละไปเรื่องอื่นเลยต้องกัดติดจดจออย่างนั้นตลอดนั่นไหมค่ะสายไม่ช้าใจมันก็จะน้อมลงไปอย่างนั้นจริงๆว่าร่างกายเราก็มาจากดินกับคื้นสู่ดินอาใช่เป็นร่างกายตัวตนที่แท้รริงมััไ่่ใตตตวว์บุคลนเเาา แท้ จ, จริงก็มาจากดินกับคื้สโซดิน